พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21พฤษภาคม2559นมีชื่อเรื่องว่าอาหารใจยังไม่พอในเขตอาเภอนาโยนะครับคู่ก่อ น, นสูงกว่าเพื่อนทั้งหมด สมัยเมื่อหลวงพ่อมาอยู่มเข้ามาใหม่ปีสองพันห้าร้อยสิบหกสิบเจ็ดแต่เข้ามาที่นี่เริ่มแรกเข้ามาเนี่ยปีนั้นปีคอมมวนิสเริ่มมีคอมมวนิตปีสองพันห้ารอยสิบหกอย่างนั้นก็พอเขาผ่านไปแล้วก็รู้ว่ามีคอมมวนิสตก็ยังไม่ดูดันเท่าไหร่ พอสิบ8 1็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบช่วงนี้แหละในถิดนี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใส่สีชมพูหรอกนะมันเกือบจเข้าเป็นสีแดงอำเภอนาสวมมาอยู่ตร ง, ตรงนี้ได้ตั้งปืนใหญ่ถล่มเข้ามาแถบนี้สมัยนั้นนะพอสองพันรยี่สิบสาม บ้านเมืองเริ่มสงบหลวงพ่อเข้ามาพอเข้ามาโอ้รู้สึกว่าป่าดงพงภัยหมดไปเยอะขณะจพน 6, ถึงของพัอ่สบสาป่าหมดไปเยอะทำไมบมดเพราะว่านคอมมอนิตอยู่ในป่าชาวบ้านก็หลั่งไหลเข้ามาจากทางยะโสธรจาก บุกปนมหาสลรกคมเข้ามาเพื่อจะยึดป่าจากนั้นเขาก็ถางป่าถางป่าในท้าหารทั้งป่าไม้ทั้งสวนราชการก็ไม่กล้าก็ไม่กล้าทวงติงเพราะจะกลัวเสียมวลชนก็ต้องรักษามวลชนไว้ทางรักษานั่นด้วยอย่างไหนๆอย่างหินล่องกาดจะเตียนยิ่งกว่าอะไรตะกอนเป็นรงผงไพรมหาสารกรเพาะเนี่ยพรักษามวลชน ตอนนี้หลวงพ่อเข้ามาน่ยโอ้โ ห, หน่าเจดายป่าตอนที่เขามาสอง6ันท่าร้อยสิบหกสิบเจ็ดต้นไม้แต่ละต้นคอตั้งเลยเต่๋นี้ยังเหลือไม่เท่าไหร่พอเข้ามาหลวงพ่อก็ยังยุอายุพรรษายังไม่มากนะสิบเกือบยี่สิพรษา เขาม้เสียดายป่ า, าก็เลยถามเขาว่าสู้เจ้าจะอยากจะได้วัดป่าไหมเขาว่าอยากจะได้มีที่ไหนบ้างที่เป็นป่ายังอยู่เขาก็เลยพาไปทางนู้นจากนั้นเขาก็มาพามาดูวัดเออตัวนี้เข้าท่าเลยเอก็เลยมามาอยู่วัดตั้งแต่ปีสองพันหร้อยี่สิบสาม แต่ตรงนี้เป็นเป็นวัดล้างนะตรงนี้ตรงมุมสาลานะเป็นมีโบสถ์เก่าแต่สมัยเวียงจัน เ, เรื่องอำนาจนะแถบแถบนี้ก็จเจริญเหมือนกันนะมันใกล้เวียงจันใกล้ใกล้ชเชยงใหม่ใกล้ วัดหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็หลวงพ่อมาอยู่ที่หลังเขาเหมือนกันนะแต่ว่าต้นไม้ข้างในนี่นใหญ่ยังยังใหญ่มากแต่นี้พอหลวงพ่อ้อที่ดินแปลงนั้นไปแล้วตรงนี้ทั้งฝ่ายนี้เอชาวบ้านเขาเข้ามาทําไร่เข้อผู้ทําอะไรทั้งหมดเตียนหมดแล้วแต่ในเขาอยากจะขายอ ที่ดินประมาณ20กว่าไร่เขาจะจะได้ขายเขาจะจะได้ลดปิกอัพเป็นเิ่งเ่งโดยสารเขาจะจะได้แสนส่ทั้งหมดเกือบ30ไรนะ่หลวงพ่อกว่าจะหาเงินซื้อที่ดินแปลงในโอโพอแรงเหมือนกันในสมัยนั้นหลวงพ่อคิดว่าทางโน้นกัมันทางโน้นก็มากเห็นที่ดินที่ดินทางโน้นก็ พันสามร้อยห้าสิบไร่ที่กำแพงล้อมรอบทั้งแต่แต่ไม่จริงที่จริงมันก็พอที่ดินแต่มาพิจารณาดูแล้วน่าจะเอาแปลงนี้ไปอีกต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีวัดขึ้นมาทางหน้าวัดเนี่ยอาจจะมีพวกร้านอาหารพวกคาราโอกเกะขึ้นมาในทางหน้าวัดเนี่ยบัลลงกตึงนางบัลงตงหนึ่งอย่นี้ ความสงบภายในวัดของเราคงจะหมดไปหลวงพ่อกคคิดไกลยอยู่นะดังนั้นก็เลยมาซื้อที่ดินแปลงนี้เอาไว้สามสิบเกือบสามสิบไร่ก็นี้นก็เพิ่งมาสร้างศาลาหลังนี้เนมะื่อปีสองปีที่เองนะแล้วก็สำหรับศรัทธาญาติโยมมาถ้ามามากแต่วันนี้หลวงพ่อก็ถามว่าคนณะที่จะมานี่ประมาณร้อยกว่าคน หลวงพ่อจะรับที่ไหนตามไม่จริงหลวงพ่อจะรับข้างในก็ได้หรอกมีศาลาอยู่ข้างในแต่วันนี้ออกมาฉันข้างนอกวันเสาร์วั น, วนอาทิตย์จะมาฉันที่นี่เาสาร์วันอาทิตย์วั น, วนพระในเมื่อสร้างแล้วก็ต้องต้อ ง, องใช้มันถ้าไม่ใช้มันมันก็เศร้าหมองอีกต่นี้กเออก็เลยได้ได้ออกมาฉันทุกเชา้าอาทิตย์วันพระถ้าวันธรรมาดาก็ฉันอยู่ข้างใน วันวันนี้ก็ได้ออกมาเป็นวันนี้เป็นวันวานเป็นวันพระวันนี้เป็นวันเสาร์วันพุ่นี้เป็นวันอาทิตย์แะ่พงศ์จะฉันให้ฉันอยู่ที่นี่วันนั้นพวกคณะสทรายญญติจวงลูกหลานมาก็เลยเอามารับที่นี่ก็ได้หละวันนี้อลุงพ่อก็เลยมานั่งนั่งคอยคอยอทีแรกถึงสิบเอ็ดโมงเอ๊ะทําไมช้านักว่ อ, อกําลังจะเข้าไปข้างในอีกเหมือนกันนะ พอได้ยินประมาณสักสิบเอ็ดโมงกว่าได้ยินเสียงไหว้พระงคงจะมาละมากไอพอเสร็จจะรับศรัทธาญาติโยมลูกหลานขะอพ่อก็บคงจะเข้าไปข้างในติดพักของพระอยู่ข้างในทั้งหมดอันนี้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์หรือว่ามีงานอะไรเาขาคอยอยังคอยมาที่นี่ พระพุทธรูปเนี่ยเป็นพระพุทธรูปหินหินแกลนิดนะกัวัดนิลสเปนหินดำหินดำนิลสเปนเห็นเห็นเป็นทุกหลานจะสังเกตตรงจะเห็นสายแรกนะท่านในองค์พระเขาเขาเนี่ยน่ะสายแรกของหินเขาแกะช่างเขาเก่งนะช่างกกมาจากเชียงรายอำเภออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่เขาแกะพระเนี่ยนะ ตระกูลเดียวกันกับแกพระภูกอ น, นั่นแหละแกะพระองค์เป็นพระหินมาจากหินมาจากประเทศสเปนหินนินเนนเปนวัดดำหินดินนินนสเปนทั้งสามองค์เลยค่าแกะทั้งแท่นทั้งพระสาวกด้วยสามล้านสามล้านแปดแสนห้าเฉพาะค่าแกะนะ แต่หลวงพ่อก็น่าจะให้เขาเพมันไม่ใช่แกะกล้วยถ้าแกะกล้วยไม่ต้องจ้างเขาอยากหลวงพ่อแกเองไอนน้แกะหินเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยกระถางทุบหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยแกะกระถางทุบแกะกระถางทุบไม่ใช่ราคาถูกนะกระถางทุบหลวงพ่ อ, อยังกลัวกลัวคนขโมยอยู่ พระพุทธปฏิมาเห็นไปเห็นที่ประเทศอินเดียเอที่ถ้าอะไรอัสสันต้าวที่เขาแกะหินโอตะลุกหลานไปเห็นในถ้าเขาเก่งจริงๆนะเขาแกะหินรุ่นเก่าเขาใช้เครื่องมืออะไรก็ใหม่ทราบเหมือนกันนะแต่เขาอะไรเอาอะไรเครื่องมือตัวไหนขัดก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาเก่งเหมือนกันเขาทําได้สวยมากแล้วมีอะไรไม่ลูกหลานลก็มีอะไรก็เนี่ยกล่าวคําถวายทานนะหลวงพ่อจะเอาหนังสือเต็มทสามแจกนะเต็มเตียยวไม่ให้อยู่เดี๋ยวจะพึ่งแจกก็ได้นะอลองทาพิธีกรกรมกันก็เราตั้งจิตตั้งใจนะคะเดี๋ยวจะได้กล่าวคําถวายสังฆทานนะคะท่านตั้งใจ นังนโมตัสสะสามจบแบบแปลนะคะทุกท่านหันธรรมยังพุทธะพระขวโตบุพพาภาคนามการังการมะเสนโมตัสสะพระขาวโตคอนอบน้อมแด่ราภูมิพภาผะเจ้าราองค์นันอาราหโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสำ ม, มาสัมพุทธาสาวตาสรุชอบได้โดยพระองค์เองนอามอุตสาภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระพาคเจ้าพระองค์นั้นอะร า, าโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธ า, าตาตสรูชอบได้โดยพระ อ, องค์เองนโะโมตัสสะพระควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาพระ อ, องค์นั้นอะราหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธาตา าสาธุชอบได้โดยพระ อ, องค์เองอีมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัปปริวาลานิภิกขุสังคธะโอโนทยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอีมานิสังฆทานานิสัปปริวาลานิ ปฏิคันหาตุอัมหะกังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแดดพระสงค์ผู้เจริญข้าปราเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดดพระสงค์ขอพระสงค์จงรับซึ่งเครื่องสังฆทาน กับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อดงตาเห็นธรรมตลอดสิ่งการละนานเธอสาธุอันไหนที่พอประเคนได้เลยหรือว่าไม่เครื่องยางจับบางตระกูลเลยก็ได้มะไม่มีอาหารค่ะเอเออว เอาไว้นั่งก็ได้นะลูกหลานนะนี่จะประเคนก็ได้จุดแทนแต่เนี่ยพระทั้งหมดของหลวงพ่อมีอยู่44รูปรายงานเมื่อเช้าลงมาฉัน28งดฉัน16แต่หลวงพ่อมารับสังฆทานลูกหลานมารับในนามรับแทนพระสงฆ์ทั้งหมด เวลารับเสร็จแล้วหลวงพ่อมอบเป็พระสงฆ์ให้พระสงฆ์เป็นผู้จัดการเอาไปที่ไหนแจกยังไงให้เกิดประโยชน์แต่หลวงพ่อรับมาแล้วเนี่ยเหมือนกับลูกหลานหยอดน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเครื่องพอเทเข้าจุดเดียวเท่านั้น มันก็ไหลเข้าไปฟันเฟืองทุกฟันเฟืองฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองน้อยการบริหารในวัดของหลวงพอ่อกลักษณะอย่างนั้นถึงหลวงพ่อจะได้รับปัจจุบจตุปัจจัยมาค่าอาหารการเมลพวกผ้าค่าเจ็บไข้ได้ปวดปัจจัยสีของพระมีความจําเป็นองค์ไหนแปลว่าไม่ใช่สมบัติของคนหนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติของวัดเป็นของของพระสงฆ์เป็นขอ ง, ของ วัดวาศาสนาเป็นของกลางแต่ถ้ามันเหลือใช้ถ้ามีจัดทายแย่โยมถวายมามันเหลือใช้หลวงพ่อใหใ้ไปทางวัดต่างๆสร้างศาลาก็หลายหลังพระพุทธลูกแล้วก็ให้สร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนให้โรงพยาบาลอย่างนี้แหละจะตกปัจจัยที่ ไดมาเพราะนั้นที่ลูกหลานได้ถวารจิตถูกปัจจัยรล้ว่าของใช้ที่ไดมาเนก่อนนะมอบให้กับแหวัดวาศสานาเป็นของพระสงฆ์ทั้งหมดถึงหลวงพ่อจะมารับวงเดียวก็ไม่ใช่หลวงพ่อจะเมาองค์เดียวไม่ได้นะหลวงพ่อจะเอาไปทําไมแต่เมื่อกี้เนี่หลวงพ่อไปอินโดนีเซียไปตั้งแต่วันที่5ไปวันที่5กับวันที่สิบหกไปหลายเมือง พอไปเทศนาว่าการชาวพี่น้องอินโซดนเซียมมีศรัทธาด้พอเทศจบลงแลง้วมีโออังเป่ามาถวายเป็นอกองอมากมายเลยเไปวันที่ไปวันที่วันที่ห้ากับวันที่สิบหไปสิบอ็ดไปสิบสองวันไปวันหนึ่งกลับวันหนึ่ง อยู่ที่จากอตตีอยู่ที่อินโดนีเซียสิวันได้จดุปปัจจัยที่เขาถวายต่างกรามต่างวาระนะได้สี่ร้อยสี่เจ็เจล้านกว่าเออได้4ี่เจล้านกว่าอาถ้าเปรียบเป็นเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่ล้านหนึ่งแสกว่าบาทสามรอ สามเจ็ดิบห้าบาทเจ็ดสามร้อยเจ็ดห้ารูปีตอนหนึ่งบาทไทยเออแต่หลวงพ่อได้มาหลวงพ่อก่อมอบให้หมูลนิติแต่แต่ละหมูนหม่นิติเต็มมูลแล้วก็มอบให้วัดเอ่อวัดที่ยากไอ้วัดที่เขารับนักเรียนมาเขาก็เก่งนะเขาเขารับนักเรียนมาทั้ง น, นักเรียนหญิงนักเรียนชายเต็มเกือบฝ่ายละห้าสิบเป็นร้อยนะเขาก็เลี้ยงไม่ให้ไปไหนเลยสี่ปี สี่ปีเขาก็เลี้ยงเด็กของเขาไม่ให้ไปไหนจนจบถ้าเว้นเสียตพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยตาย mm hmm. เขาจงให้ออกจากจากสำนักเขาถ้าออกไปแล้วเมื่อจบไปแล้วเนี่ยให้ไปสอนเรื่องพุทธศาสนาเถอเนี่ห mm hmm. ลวงพ่อไปเหน็นโอ้หลวงพ่อก็เลยมอบปัจจัยให้เขาเนี่ยหละอันนี้ยี่สิบล้านลูปี แล้วก็เงินบาทอีกให้เขาไปประมาณเจ0 0 0มแล้วก็ไปวัดอีกวัดที่มีหมูลนิธิเด็กนักเรียนอีกประมาณพ0 0 0 2 0พ0ที่ที่เขาไปตั้งโรงเรียนอันนี้หลวงพ่อมอบมาอีก0 0 0แสนผลที่สุดที่หลวงหลว ง, งพ่อไปด้วยกันมีท่านเจ้าคุณวัดเสือกาญจนบุรีองคหนึ่งฮะ แล้วก็รองจเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดองค์หนึ่งแล้วก็พระในวัดไปทุกวันเจ็ดองค์พอเสร็จแล้วหลวงพ่อเอ้ยปัจจัยไม่ต้องเอากลับเมืองไทยนะเกิดอยู่ที่อินโดต้องเอาไว้ที่อินโดไม่ต้องกลับเมืองไทย เ, เดี๋ยวเขาจะหาว่าหลวงพอ่อามามาที่อินโดเขาต่อยปัจจัยหอบเงินไปที่เมืองไทยเสียศักดิ์ศรีหลวงพ่อว่าน หลวงพ่อเลยมอบให้อินโดทั้งหมดเลยไม่เอามาให้เกิดประโยชน์กับพทุทธศาสนาอินโดและปีที่แล้วหลวงพอ่อเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยปีนี้หลวงพ่อก็ไม่คิดไม่คาดว่าจะไปนะคือไปปัดปีนั้นพอแล้วละเพราะไปปีนั้นก็ได้ปัจจัยเป็นล้านกว่าบาทเกือบล้านสีม่มั้งหลวงพ่อก็คือก่อนที่จะมากลับมาเมืองไทยหลวงพ่อก็ถามว่าปัจจัยของพระมีเท่าไหร่ะ ผู้ติดตามชาวอินโดเขาคงจะงงเหมือนกันเพราะว่าบางทีพระไทยไปเนี่ยก็ถาวายปัจจัยมาแล้วเขาก็โอนมาที่หลังเนี่ยถ้าได้หลวงพ่ออ็นถามก่อนเลยโอ้หลวงพ่อเอ็เนคงจะขี้งกเขาคงจะหวยยงั้นหรอเออนี่เท่าไรเขาก็เล่าให้ฟังสองร้อยกว่าล้านทำไมนะหลวงว่าบอกว่าออปัจจัยทั้งหมดนะอ่อมีทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินไทยล้านกว่าบาทมอบให้เป็น ม, มูลนิธิ สำหรับดูแลพระสงฆ์จะเป็นพระสงฆ์นิกายใดก็าตามมาประเทศอินโดนีเซียเนะี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยตกรถไม่มีเงินค่ารถถวายท่านได้เวลาองค์ไหนเจ็บไข้ได้ป่วยถวายท่านได้แหมเรว่าเด็กนักเรียนที่ยากจนเข้าโรงเรียนพวกท่านทั้งหลายดูแลอยู่ช่วยสงเคราะห์เขาได้เออภัยวิบัตสิสีนามิ ภูเขาไฟอะไรก็ตามถ้ามันมีปัญหาให้ใช้ไดเ้เงินจำนวนนี้หลวงพ่อจะไม่เอากลับเมืองไทยเอาไว้ที่ทั้งหมดหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นนะไม่เอากลับมามอบให้ให้เป็นสมบัติของอินโดนีเซียให้เขาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาไม้มาไว้ไม้ตัวนี้เอาลูกหลาน อยู่ในความสงบนั้นหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังที่ลูกหลานได้มาตั้งอกตั้งใจมาจากกรุงเทพมหานครไม่ใช่ว่าจะมาแบบสนุกสนานมาตั้งอกตั้งใจมาเพื่อบําเพ็ญกุศลสร้างกุศลสร้างบารมีวันนี้เป็นวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2559 แต่หลวงพ่อได้รับจดหมายพอมาจากอินโดก็บอกมาถึง10วันที่16หลวงพ่อได้อ่านจดหมายว่ากลุ่มสเสบียงสเสบียงสวรรค์ใช่ที่จะมาวัดของหลวงพ่อประมาณ11 00นศูหลวงพ่อก็ได้รับทราบก็ได้บอกให้พระให้ดูแล้วก็พร้อมกัน หลวงพ่อก็ได้เตรียม m p 3มพีสระหว่าหนังสือธรรมะให้สหรับแจกพวกเราเพื่อได้นำไปศึกษานำเอาไปฟังแต่หลวงพ่อเองคิดว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าแจกธรรมะให้ความรู้กับคณะศรัทธาญาติโยม ท, ทุกหลานที่มาเกี่ยวข้องออถ้าให้เขาต้มขนมไปก็หมดไป แต่ให้ธรรมะเนีจะเข้าสู่จิตใจของออพวกเรานานเท่านานทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกลูกหลานมาจูวัดวาศาสานาเขาครั้งนี้ก็เป็นการส ะ, สะแสวงหาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจพ อ, อพวกเราเกิดมา ในเมืองในมนุษย์โลกพูดง่ายๆเราเกิดมาถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราเกิดมาก็เหมือนกับพวกเราเคยเห็นที่มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกของเรายัางไม่มีเสื้อผ้านุ่งก็ยังมีต่งเยาะแยะไปเราคิดว่ามันจะทั่วถึงกันแล้วไม่ใช่การเกิดมาของมนุษย์ชาติ นี้พวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธาศาสนาได้พบสถาบันชาติา ศ, าาาศาสนาพระมหากษัตริย์นับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากทําไมจึงว่าโชคดีเพราะว่าเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเขาว่าอ ด, อดอยากไม่มีถ้ามีความหมั่นขยันนะให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้เขาว่าอดอยากไม่มีแล้วก็พร้อมกัน ธรรมชาติก็ไม่ได้ฆ่าคนไทยน้ำก็ไม่ท่วมถ้ามันท่วมเมื่อปีห้าสีนึ่งกันอันถ้ามันผิดปกติคนในชาติของเรามันทะเลาะกันลกคัดน้ำไม่ให้มันไปตามน้ำที่มันจะไปมันก็เลยท่วมแต่ตามปกติมันจะไม่ถึงขนาดนั้นนี่แหละ อ, อ, อย่างอื่นก็ไม่มีแผ่นดินไหวก็ไม่มีหนาวจัดก็ไม่มี แรงจัดก็ไปถึงกม็มีสรุปแล้วคือคือธรรมชาติเป็น ไ, ได้ค่าพวกเราพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนี่ว่าปฏิรูประเทสวาโซจะอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจกะตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตที่อดีตชาติอย่างพวกเราเกิดมาชาตินี้แหละไปทำบุญวัดไหน ไปทำบุญที่ใดพวกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานสาธุเนอร์ผู้ฆ่าถ้าหว่าเวียนไหยตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารก็จะให้ไปเกิดในสถานที่กันดานไปสถานที่่ทุกข์ยากลำบากขอให้เกิดในสถานที่มีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เป็นพุทธศาสนิกชนให้ได้นับถือพระพุทธเจ้า ให้มีธรรมะอยู่ในจิตใจทุกภพทุกชาติโดยเทินแล่จะให้ข้าพเจ้าได้อดได้อยากไปเกิดนะในภพภูมิใดอันนี้พวกเราคงจะตั้งความปรารถนาไว้ในใจเหมือนกันนี่ว่าปุเพจัจกรตาปุญญาตาในเมื่อเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วทีนี้ควรจะอัตตะสัมมาปเนธิคือให้ตั้งตนไว้ชอบเกิดมาสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาแต่เรา หลงละเลงไปในทางชั่วอวายยมกุกดื่มสุราอะไรสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายหเราทำหมดผิดศีลธรรมจริยธรรมอันนั้นแปลว่าเราเกิดมาแล้วตั้งตนไว้ไม่ชอบเดวัตตะสมาปนิทเทนี่ตั้งตนไว้ไม่ชอบเราทั้งตั้งตนไว้ไม่ดีในเมื่อตรงตั้งตนไว้ดีเกิดมกภบนาชาดนา เราอาจจะตกต่าก็ได้อาจจะไปเกิดเป็นแถวที่ว่าไม่มีเสื้อผ้านุ่งเย็บพวกเราทั้งหลายได้เห็นในโลกนมันมีอยู่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหละคำว่าเราพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเกิดมาพวกเราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะลัก หลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้สองนะคณะทศทญาติโยมโ ล, ลูกหลานนะอาหารกายคือย อ, าาคอย่างหนึ่งอาหารใจคืออย่างหนึ่งอาหารกายก็คือปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนะอาหารผ้าน่งผมยาแก้โรภคภัยไข้เจ็บที่พักผาอาศัยอันนี้เป็นว่าอาหารของกายส่วนอาหารของใจก็อย่างที่พวกเราคณะทศไทญาติโยมมาทำบุญนี่แหละ สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถวายทานแล้วก็พร้อมกันก็ให้บาเพ็ญสมาธิในจิตใจจากนั้นก็ให้เดินปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอันนี้คือหาอาหารเข้าสู่จิตใจแต่ส่วนร่างกายของเราเราเกิดมาเราก็เรียนหนังสือเหมอะเรียนหนังสือได้วิชาความรู้ขึ้นมาแล้วก็สอบสอบ สอบตำแหน่งที่ได้ตำแหน่งขึ้นมาแล้วก็หาเงินเดือนพอได้เงินขึ้นมาแล้วก็ซื้อวัตถุที่บำรุงร่างกายใดแต่ไหนซื้ออาหารอย่างมาทานซื้อผ้านุ่งหม่มมานุ่งหม่มซื้อยาแก้โรคภัยไข้เจ็บซื้ อ, อ, อที่พักผาอาศัยบ้านเรือนออที่พี่ผาอาศัยแต่ถ้าว่าเรา ทำแต่หาแต่ปัจจัยสี่เพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอนะท่านนี่เอามันก็ไม่แพ้สัตว์ทา่ชาญ น, นะสัตว์ที่ชาญเขาเกิดมากต้องหาอาหารหาที่พักทํารวงรังเออแรกเลยเนี่ยมันก็กินของที่มันจะไม่เป็นพิษภัยเออแล้วก็ที่พักพาอาศัยของมันแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์ท่นี่เราต้องเออเลี้ยงถึงจะเลี้ยงอาหารการบริโภค ปัจจัยสีดีขนาดไหนแต่พร้อมกันเราก็ต้องสะแสวงหาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตามแนวแถวของพุทธะเข้าสู่จิตใจอีกอาหารของใจนันคืออะไรถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้นะทีนี้เราต้องศึกษาอาหารกายเนี่ยเรารู้เกิดมาแล้วก็สอนกันแต่อาหารกายนีย่พวกเราจะเลี้ยงดีขนาดไหนไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายพอได้เข้าอาหารการบริโภคมา จะตรวจทกคำข้าวว่าพร้อมด้วยโภษณาการครบทุกอย่างในคำข้าวคำนี้ค่อยกินเข้าไปทานเข้าไปแล้วก็ผ้านุ่งห่มดีที่สุดนี่ที่พวกเราซื้อมาประดับด้วยเพชรนินทินดาราคาเป็นล้านๆเอามานุ่งมาห่มก็เถอะยาแก้โรคภัยไข้เจ็บถึงจะดีดีที่สุด ในโลกประเทศไหนที่สั่งเข้ามาซื้อเข้ามา เ, เพื่อเตรียมรักษาโรคภัยไข้เจ็บบำรุงร่างกายและก็สร้างบ้านให้หรูหราโอ้อาสวยงามที่สุด อ, อ, อยู่ด้วยความสะดวกสบายแต่ถึงยังไงร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเนะี่ยฟังดูซิร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดนั้นดอกเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายของเรายังเป็นอื่นอยู่เสม อ, อ, อพออยู่ไปนานๆเข้ามา เราจะเห็นผมขาวเออผมงอกผมขาวต่อไปเห็นฟันหลุดต่อไปเห็นตาฝ้าฟางต่อไปเห็นหูตึงเออต่อไปเห็นหนังเหี่ยวย่นต่อไปเห็นลังค่อมต่อไปนอนกับเตียงเออมีแต่สายช่วยหายใจเออพอลงพลังขยับขยื่นไปไม่ได้เอรอพอในสุดก็ตายหมดลมหายใจ ในแหละพวกเราเลี้ยงไปเถอะเลี้ยงร่างกายถึงจะอาหารขนาดไหนยาแก้โรคภัยผ้านุ่งหม่มที่อยู่อาศัยรู้หราโออาขนาดไหนเลี้ยงร่างกายในยังเป็นอื่นอยู่เสมออันนี้คือให้พอเราสังเกตที่หลวงพ่อพูดเราไม่ได้เย้ยหยันชุมชนสังคมให้เพียงแต่ว่าวให้เราสังเกตรจริงไหมจากนั้นถ้าเราเลี้ยงแต่เพียงแค่นั้นเราไม่ได้แสวงหา คุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอันนั้นแปลว่ายัางไม่ยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องสาะสแสวงหาคุณธรรมเข้าสู่จิตใจอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างถ้าเราย ก, กคนอื่นเป็นตัวอย่างมันก็อย่างไงอย่างไงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอย่างเมื่อวานนี้เป็นวันพิสาขะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้ไาได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โขนต้นโพที่ประเทศอินเดีย พุทธพุทธองค์ทำยังไงแตะก่อนพระองค์ก็เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินคลองรัฐจุกกรุงกระเบนลพัดจากนั้นพระองค์ก็เห็นเห็นอเ น, นจังทุกขังอนาถาเ ห, นนเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและจากนั้นก็เห็นสมณะจากนั้นพระองค์ก็เห็นโอ้เราจะอยู่ไปทําไมอยู่ไปคอยวันตายอยู่ไปเพื่อคอยวันจุดจบของชีวิตเท่านั้นเองจากนั้นพระองค์จึงได้หนีออกจากเบียงวัง ไปค้นคิดอย่างสมณะที่ท่านได้เห็นนั่งตามลำพังสมณะนี่ถ้าหาว่านั่งคุ้น ค, คิดอย่างสมณะเนี่ยพอจะคงจะเห็นช่องทางจากนั้นพระองค์จะได้หนีออกบวชไปค้นคว้าศึกษาจุเป็นเวลาทั้ง6ปีอยู่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีที่ไปบวชอยู่ที่นั่นเขตแขวงกุงราชสักคือจากนั้นพระองค์บาเพ็ญอยู่ทั้ง6ปี จนถึงวันเดือน6เพนน์เนี่ยนะวันเดือน6เนพนนพระองค์จึงได้นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายที่พุทธคยาที่ประเทศอินเดียพวกเราถ้าใครไปเห็นประเทศอินเดีย ค, คงจะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จากนั้นพระองค์ได้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ให้พวกคณะทาญาิโยมลูกหลานให้ฟังเอาไว้ถ้าว่าเราไปฟังครูบาอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละวัดแต่เราก็ฟังแต่ว่าพุทธประวัติของพระพุทธเจา้านี่แหละวิธีการทำของพุทธ นั่งคัตสมาธิหันพระพักไปทางทิศตะวันออกกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั่นอันนี้คือกรรมฐานของพุทธะแต่ใ้กรรมฐานองค์อื่นๆ อ, อย่างหลวงปู่มั่นสายที่หลวงพ่อปฏิบัติคือหลวงพ่อเป็นสายหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ต่างๆสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าถ้าหากว่าภาวนากําหนดลมหายใจเข้าอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติท่านภาวนานั้นมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันหลงเงื่อนหลงส้นได้ง่ายให้สำทับกับพุทโธด้วยนะอันนี้ก็คือ จะมันมีกรรมฐานบอกบริกรรมพุทโธเวลาหายใจเข้าพุทเวลาหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิตของท่านแต่เวลากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องและไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกให้ดื้ให้ถือเสมือนว่าเรายืนอยู่ข้างประตู เวลาคนเข้ามาในอาคารเราก็รู้ว่าคนเข้ามาในอาคารไม่ต้องตามคนเข้ามาในอาคารเวลาเราตามไปออกไปข้างนอกคนเดินไปข้างนอกไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามคนออกไปข้างนอกเพียงแต่รู้ว่าคนเข้ารู้ว่าขนเข้าคนออกรู้ว่าคนออกให้มีสติสัมปชัญญะอให้มีที่ปลายจมูกว่าลมเข้าไปบริกรรมพดลมออกมาบริกรรมโท ที่มันกำหนดที่ลมหายใจที่ปลายจมูกแต่หากว่าท่านบางคนบอกเอ๊ะกำหนดแล้วมันไม่เห็นถ้ า, าว่ามันไม่เห็นเราขบ พ, พยายามหายใจเข้าแรงแรงก็ได้นะกระแทกลมเข้าแรงแงกระแทกลมออกกระแทกลมเข้าสักสามสี่ห้าหทีเราพวกเราก็จะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนในเมื่อลมกระทบที่ไหนเราก็เอาติจับอยู่ที่ตรงนั้นตรงที่ลมกระทบนั่นที่ปลายจมูกนั้น นี่แหะเวลาหายใจเข้าขบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทแต่ถ้าว่ามันยังเผลออยู่มันยังทะเลทรายไปอยู่มันยังออกไปข้างนอกอยู่ให้บริกรรมทีทีหลวงปู่คูบาอาจารย์ท่านบอกนะให้บริกรรมทีทีในจุดที่ว่ามันจิตใจมันหลดุดจิตใจที่ว่ามันมีความรู้สึกตัวผู้รู้คือนมามพธรรมให้เอาสติไปสำทับกับจุดที่ตัวรู้รู้อย่างนะ S 1> <S 1> ให้บริกรรมบอกพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธพุทโธอย่าให้มีม็นอย่าให้มีช่องว่างให้พุทธโธให้ถียิบในจุดนั้นอันนี้ก็คือทําจิตใจให้สงบได้นี่แต่หลวงพ่อเองก็แนะนําคณะสตัตยาจ่าโจมหลายๆคนที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อว่าเวลานั่งภาวนาถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่ามันเผลอจุดไหนเออมันลุมันหลงลืมจุดไหน ให้พวกเรานับนะให้ทดลองเรานับดุหายใจเข้านับ1หายใจออกนับสองให้้เข้าจับนับ3 4มสีห้าหกดถึงร้อถ้ามันไม่เผลอให้ให้กลับมานับหนึ่งใหม่ถ้ามันเผลอจุดไหนให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกอย่าไปนับต่อคําว่าเผลอคํานี้คืออะไรเวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี้ห่งหายใจออกเป็นเลขคู่2อขี้คู่ขี้ ขี้คู่ไปถึงร้อยไม่เพลอแสดงว่าจติของเราดีแต่มันเพลอนะทดลองดูก็ได้เห็นได้ชัดเลยพอขี้คู่บางทีมันพอมันเผลอนับยังไม่ถึงยี่สิบอีกต่างหากนี่มันเพลอลวพอเพลอขึ้นมาแล้ต่ทั้งที่มันจะขี้คู่มันจะกลับเป็นคู่ขี้แอบคู่ขี้แอบแปลว่าคู่ขี้แปลว่าเพลอะกลับมาตั้งตั้งต้นใหม่แต่มันคู่ขี้นะเอะแล้วก็ขี้คู่ขี้คู่อีก ถ้ามันเผลอปับ๊บโค้งแค่อีกแล้วกลับมาอีกอย่าไปเดินหน้าเราจะรู้ได้ว่าเออสติสัมปชัญญะของเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้เนี่ยดีขนาดมากน้อยแค่ไหนเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าหากว่านับไม่ถึงสิบก็เผลอเอาเผลอเอาเราจะไปดีใจนะเราเราจะไปดีใจกับการเผลอของเรานั่นแหละแปลว่าอีกไม่นานอัลไซเมอร์จะเข้ามา เขามาเยี่ยมเยียนเราแล้วอันเสเมเอ่ยจะมาเยี่ยมเยียนเราแล้วเพราะฉะนั้นเราตั้งต้นตั้งตนตั้งต้นให้ใหม่ตั้งติดร้างสติใหม่ในเมื่อเราสติของเราดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละในเมื่อสติของเราดีสมาธิก็เกิดขึ้นได้ในเมื่อจิตใจที่กำหนดลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจได้จะอยู่กำหนดนับหนึ่งก็อยู่กับนับหนึ่งได้ กำหนดลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกได้จากนั้นเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่ใจของเราจะรวมสงบประทีอรวมเน่ง เ, เข้าไปสู่ความสงบสงบถึงนี่ก็อุปจาระอ ป, ปน า, าจิตใจที่เน่งเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมเป็นหนึ่งแล้วอสตเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดติตเป็นอันนั้นเราจะว่าฌานหรือไม่มากฌาน อก็ได้ไม่ต้องเรียงลําดับเ อ, อไม่ต้องปฐมฌานตติฌานจะจะตุทัตฌานเราไม่ต้องเรียงเราเพียงแต่ว่าจิตของเรารวมลงเป็นหนึ่งในเมื่อเราจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวครับไม่รับรู้ทางกายเรานั่งอยู่ที่ไหนเราจะไม่ได้ยินเสียงนะนั่งนิ่งใจก็คือใจกายก็คือกายร่างกายก็คือร่างกายใจก็คือใจไม่ไม่ไม่เผลอไม่หลงไปเลย จิตใจนิ่งจะจิตใจเป็นเอกเทศจากนั้นมาถอนขึ้นมาสู่อุปจาระคณิกะเรื่อจิตธรรมดานี่แหละอันนี้คือเวลาทาจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบอย่างนั้นเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะทไม่ต้องถามใครกายกับใจใจกับกายเป็นขนละอันกันเห็นได้ชัดเหมือนกับรถกับคนขับรถหลวงพ่อบอกได้เลยว่าร่างกายของเราเหมือนกับ แต่จิตใจตัวนามธรรมเหมือนกับคนขับรถรถคันนี้จะไปได้ต้องอาศัยคนขับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายร่างกายนี่ว่ารูปประธรรมนามจิตใจนั่นคือนามะธรรมนามะธรรมกับรูปประธรรมอาศัยกันอยู่แต่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องนามะธรรมมากกว่ารูปประธรรมท่านจึงให้เป็นคําพระบาลีว่า มโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นให้พวกเราคณะสต่ายาดโยมโ ล, ลูกหลานถ้าเรานั่งภาวนาอย่างนี้เราจะจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนะผ่านความสงบแล้วนําจิตใจที่ผ่านความสงบนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาเดินทางวิปัสสนา เราก็เดินได้ที่นี่เดินวิปัสนาสมถะคือทําจิตใจให้สงบวิปัสนาคือคลี่คลายเรื่องหาเหตุผลในจิตใจของเราใจของเรามันติดมันข้องเรื่องอะไรกิเลส ต, ตัวไหนที่อยู่ในจิตใจของเราในเมื่อเราผ่านจิตใจผ่านความสงบแล้วเราจะเห็นเราจะเห็นใจของตนเองจิตใจของเรานิดคิดปงฟุ้งซ่านเรื่องอะไรเราจะเห็นทั้งหมดเพราะนั้นจิตผ่านให้ผ่านความสงบ เพราะนั้นเรื่องจิตผ่านความสงบเนี่ย เ, เป็นพื้นฐานของสมาธิประทานขอให้ลูกหลานคณะสัตยาติโยมทุกทุกท่านนะ เ, เรื่องธรรมะทำคำสอนของพุท ธ, ธะเนี่ย เ, เป็นอาหารของ อ, อาหารของใจอาหารของใจอาหารของกายที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังอาหารของร่างกายนี่คือส่วนนึงแต่อาหารทางด้านจิตใจนี่ยนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟัง แต่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องอาหารของใจหรือเรื่องใจเรื่องนามธรรมมากกว่าเรื่องของร่างกายแต่เรื่องของร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงไปเถอะมีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็เถอะเลี้ยงไปอีกนานๆไปกนเห็นผมขาวเห็นฟันหลุดหนังเหี่ยวตาฝ้า ฟ, า, ฟางหูตึงพอในสุดก็เห็นตายตัวเห็นเห็นตัวเองตายแล้วันแกเกิดมาพบหน้าชาติหน้า ไปเอกชาติต่อไปเอกตายแล้วไม่สูญนะเนี่ยลุงพ่อจะเอาหนังสื อ, อลุงพ่อพิมพ์่ังหว่าทําไมถึงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกให้คณะทศานญาติโยมได้ศึกษ า, าการกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาพอเห็นลูกหลานมาจากทางไกลจะไม่มีจะไม่กล่าวอะไรให้ฟังฉเฉลยก็เหมือนเหมือนกับขาดไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวแนะนํำแนวทางประพฤติปฏิบัติ ให้กับคณะทายาิโยมทุกๆท่านได้ฟังได้ศึกษาตอาตอนนี้ไปจะอนุโมทนาลับพรในติน่นอ้์อุทสสิศส่วนกุศลพวกเราทุกๆท่าน